เรื่องนิทานชาดกสำหรับเด็กโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย นิมิตตังสาทุรูปานังกตัญญูกะตตเวทิตาธรรมโมสกจังโสตโพตีขออำนวยพรสริสวัสดิ์พิพันมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุขทุกประการจ้งฟังเกิดมีนตแดแะนะท่านครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒธธิ ผู้คงแก่เรียนตลอดทั้งลูกหลานนักเรียนนักศึกษาผู้น่ารักน่าเอ็นดูทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เวลาต่อไปนี้ขอให้ลูกหลานตั้งอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังไม่ต้องปนมมือก็ได้วางมือลงในตักคะฮารุอาจจะพูดอะไรที่เธอทั้งหลายน่าจะได้ฟังให้เป็นประโยชน์ อใ น, นตอนแรกๆนี่หลวงอาจจะบอกอันหนึ่งให้ฟังจะให้พวกเธอนั่งคัตมาศเพื่อให้เกิดความสลายเอาเชิญนั่งคัตมาศ ถ, ถูกใจเหลือเกินนี่คือนั่งสมาธิแล้วอยากคุยกันเราจะได้ฟังสิ่งที่มันจะมีประโยชน์วันนี้ครูบาอาจารย์พาพวกเธอทั้งหลายลงมาวัด เพื่อจะฟังเทศให้ฟังเทศนี่มันไม่ดีดอกมันอยากนอนมันอยากนอนทีนี้ก็เลยให้ฟังฟังพระพูดการฟังพระพูดนี่ฟังดีๆไม่คุยกันไม่หยอกกันแล้วเราจะไม่ได้เป็นบาปบาปมีนะบุญก็มีคนยังไม่เห็นผลของบาปก็ไม่ค่อยจะกลัวบาป แต่ถ้าเห็นแล้วจะเข็ดจะลาบเมื่อตอนสองสามปีก่อนลงอาเดินทุดงไปจากบ้านพาพระเนนตั้งร้ายองค์เดินทางไปไปเรื่อยค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นเช้ามาออกบินทบาทพอเสร็จแล้วฉันเสร็จก็ภายบาทพายก็เดินไปจนไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดอุบล ร, ราชาธานีวันนั้นหาหลวงอา น, นอนหลับสังคืนฝันเห็นคนตาบอดมีลูกจูงมาหามาออฝังเทศตื่นขึ้นมาก็แปลกใจเอ๊ะทำไมฝันอย่างนี้แล้วขอดีตอนเช้ามาชาวบ้านจำนวนมากมาทำบุญแล้วก็มาฟังเทศ กำลังที่จะอ่าได้ฟังเทศน้นแต่ทุกคนไม่ค่อยจะได้เหมือนพวกเธอนี่แหละอาราธนาอะไรก็ไม่ค่อยจะได้สักพักหนึ่งรงอาก็บอกว่าไม่ต้องอาราธนาก็ได้แต่จะเทให้ฟังพอขึ้นธรรมากำลังจะเทเห็นคนตาปอดลูกชายจูงมาลูกชายเท่ากับพวกเธอจะจูงมาผ้าผ้าบาา แกก็เดินมากับโลกคนทั้งหลายเห็นก็บอกโอ้ยมาแล้วคนที่จะพาอาราธนาแล้วก็เลยเลีกทางให้จจุงเข้ามามาข้างหน้าเลยมานั่งข้างหน้าคนตาบอดทั้งสองข้างแกก็พาชาวบ้านไหวพระพาตาดีไหวพระตาบอดได้มดหลัง่างนั้นพาสมาทานศีนาตาบอดเป็นเป็นคนพาว่าหลังจากนั้นก็ พาอาราตนาเทพหลวงอาก็แปลกแกไว้เอ๊ะทาไมคนตาบอดเขาได้หมดแล้วคนตาดีทําไมจึงไม่ได้ลหลวงอาก็แสดงทำเรื่องบาปบุญคุณโทษให้ฟังฟังนาล บ, บ้างเรื่องสวรรค์บางคนตาบอดแกก็ร้องไห้เอาแต่ร้องไห้เทศไปเทศไปแกก็ร้องไห้ลหลวงอาจคิดว่าเดี๋ยวเทศจบนี่จะถามจะถามดู ว่าตาบอดนี่ร้องให้ทําไมเมื่อฟังเทศจึงร้องให้พอเทศกําลังจะจบแกสะอื้นใหญ่เลยแกให้ลูกแกจูงออกไปก่อนชู้ออกไปเลยไม่ไหลถามเทีนี้หลวงอาก็เลยถามชาวบ้านว่านี่ทําไมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างคนตาบอดจึงได้ขวัญขุนเนี่ยของพคนตาจีคือบ่ได้ เล่าเป็นอย่างไรจึงห้องจึงให้งามลราฟังเทศชาวบ้านเขาบอกว่าเราบาปในเธอั้อหลายฟังกันดีนะเราบาปเราฟังเทศแล้วเราชิดหอดบาปเล่าเราให้เราบวชเป็นพระแต่ก่อนตาดีๆเหมือนพวกเราเนี่ยบวชเป็นพระหลายพันษาเป็นเจ้าอาวาสหลังอย่างนั้นก็เสดก อ, ออกไปไปแต่งงานกับลูกสาวชาวบ้านนั้นนหะ แต่งงานเสร็จแล้วจะเข้าไปทำนานานั้นอยู่ในในป่าใหญ่แห่งหนึ่งคล้ายๆป่าตรงนี้เขาเรียกว่าดอนกานอนกามันมานอนเป็นฟุง้งเย็นๆมากามันนอนเป็นหม่งๆเพราะมันกลัวนกเขามันตีกันถ้ากลางคืนตาสู้นกเขาไม่ได้ถ้ากลางวันนกเขา โซกาไม่ได้น้องเขาต้องไปหาสุกหัวนอนในที่อาิมชิดกลัวกาเพราะมันมีบาปมีเวมกันทีนี้ตาคนนี้แกไปทำานาอยู่ข้างๆดอนนั้นพอถึงเวลาทำานากามันจะมาที่เถียงนาเยอะจะของไปไถานาจจะมาหาเจาะกระติบข้าวหากินของกาในชาติขโมยแต่คนนี้แกก็โกรธมัน วันนั่งแกก็เอ็ดเหวเซื่อมันเอ็ดเหวเซือมันเท้ขามันมันไม่เป็นไรโรกบ่วงพอดีเลยแกก็จับมาได้มึงมึงเนี่ยกินข้าวกูมึงกินปลากูมึงจะต้องตายแกหมอหอและแกทำอะไรรู้ไหมแกก็เอาไม้หีบมาปิ้งมาปิ้งออกของมันยืดคอมันออกปิ้งทางมันมัดให้แน่แน มันหอดคอเข้ามาก็ไม่ได้มันเหลือซ้ายแหลขวาก็ไม่ได้แกมัดแน่นนะแกก็แกก็จับโยนมันก็บินบินเลี้ยวไม่ได้คอมันหอดแผลบินต้องจะบอกมาเฟิ่งจะลุกด้้อเียกไปบ้านมาดูจะลวดจะลวดกามันบินต้องขึ้นไปบินขึ้นไปบินขึ้นไปจนมันหมดแรงแล้วก็ตกลงมาตกลงมามันก็มันมันยังไม่ตายแต่มันสลบแกบอกว่า จะลวัดตกลงมาแล้วเลขาว่ามาดูนี่สมน้ำหน้ามึนมึนเรียกจริงของกูมึงชื่อไว้จะด่ามันพอมันมีแรงหน่อยแกก็จับโยนมันก็บินเองต้องรู้ไหมแล้วก็ตกลงมาหลังจากนั้นมันก็สลบไปแกยังไม่สาใจเอาไม่หีบออกโหขามันไว้พอมันฟื้นมันเต้นมันดิ้นมันคืนมาแล้วแกก็จับมาเองทีนี้แกทํำยังไงรู้ไหม แกก็เอาลวดเส้นเล็กๆแทงตามจับบอดไปข้างหนึ่งนีม่มึงจงําไว้หลังจากนั้นแกก็แทงอีกข้างหนึ่งจับตาบอดมึงไปปล่อยมันไปกาตาบอดเจ็บปวดมองไม่เห็นมันบินไปตํามไม้ตาไร่ไปหลังจากนั้นมันก็ตายตายแกสาสมใจที่ได้ทํากับมันอย่างนั้น หลังจากนั้นเมื่อดำนาเสร็จดำนาเสร็จขึ้นบ้านแล้วเอาไถเอาควายขึ้นบ้านแตกเจ็บตาเจ็บตามากเลยข้างนึงแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนบาลเขาใส่ ย, ยาให้มันก็ไม่หายแล้วก็กลับมาบ้านร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดต่อมาถึงที่สุดตาก็ก็แตกแตกดังปุ๊ตาแตกแว้าละข้างนึ่ง หลังจากนั้นแกก็บอกว่ า, วาดีละมันแตกไวแล้วก็สบายหายเจ็บบอดไปข้างหนึ่งหลืออีกข้างหนึ่งต่อมาเอกไม่กี่วันก็เริ่มเจ็บเอียดเป็นตุ่มเป็นฝีในตาไปหาหมอเอกกรักษาไม่หายต่อมาตาแกก็แตกเลยตาบอดทั้งสองข้างมีคนเคยทําบุญมาคนเคยเป็นพระเป็นเจ้ารู้จักแล้วแต่กลับไม่ทําตามบาปไว ในที่สุดแกก็ตาบอดทั้งสองข้างไปไหนมาไหนก็ให้แต่ลูกโง่ไปพอแกมาฟังเทศแกก็นึกถึงบาปทั้งบนนี้แกก็ร้องไห้อย่าไปมองดูเขาเขานั่งสงบนี่ที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้มายอะไรอยู่ข้างหน้านอย่าไปมองดูเขาเส็จเขานั่งสงบเราดือ้อทำไมเราเยืเอกเฉยครูท่านสอนไม่ให้ดือ้อย่าไปเที่ยวดูคนอื่นดูเราเนีย่ยเขานั่งสงบ เราไม่สงบอย่างเป็นลิงเป็นข้างอยู่เดี๋ยวก็ได้บาปกันเหมือนตาคนนั้นเพราะเห็นนั้นเมื่อแกสํานึกบาปแกก็เอาแต่ร้องไห้เราไม่น่าทําเลยนี่บาปมีคนมีเห็นี้จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าคนเรานี่จะมียี่ห้อเหมือนกับรถทำไมรถของโครถมียี่ห้อมียี่ห้อมัสดาดัสซันนิสันคนเรามียี่ห้อ มีสองยีหย่ห้อยี่ห้อดีกับยี่ห้อชั่วยี่ห้อดีนี่จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายคือความเป็นผู้รู้จักบุญจักคนุนนักเรียนดีคือนักเรียนที่รู้จักบุญคุณของครูบาอาจารย์เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่ดื้อด้านนั่นคือนักเรียนดีลูกดี คือลูกที่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เชื่อฟังบุญคุณของพ่อแม่คำสั่งสอนพ่อแม่นั่นเป็นเครื่องหมายดีถ้าผู้ใดรู้จักบุญคุณของพ่อแม่อันดับแรกบุคคล น, นั้นเริ่มเป็นคนดีหมายเลขหนึ่งขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่เลยคนนั้นจะเป็นคนดีของใครไม่ได้ไปเป็นเมียก็เป็นเมียไม่ดีเป็นผัวก็เป็นผัวไม่ดี เป็นใครก็ไม่ดีทั้งนั้นแม้แต่พ่อแม่ผู้มีตนคนเขาก็ยังไม่รู้จักคนข้าชายคนหนึ่งที่จังหวัดตรังปักตายแกเป็นลูกโทนมีลูกคนเดียวพ่อแม่ครอบครัว น, นั้นเป็นลูกโทนมีสมบัติพ่อแม่ก็พออยู่พอกินต่อมาพ่อก็ตายแต่ก้อยู่กับแม่สองคนแม่ก็ส่งเรียนหนังสือ จบชั้นประถมก็เรียนต่อมัธยมจบมัธยมก็ไปต่อโรงเรียนหาวิทยาลัยชั้นสูงขึ้นแต่เสจแล้วแกไม่ดีเลยแกเป็นคนไม่รู้จักบนคนพ่อแม่แม่คนเดียวรักเหมือนแก้วเหมือนแบนแต่แกกลับมาบ้านเรียนจบแล้วไม่ได้ทำงานแต่บอกว่ า, วาทรัพย์สมบัติพ่อแม่ของเรามีเยอะใช้กินทั้งชาติก็ไม่หมด ในที่สุดก็เริ่มรู้จักเพื่อนฝงหัดกินเหล้าสซบัญชาหลังจากนั้นก็เล่นการพนันเอาไปเอามาแกเล่นการพนันจนไม่มาบ้านมีเงินมีทองก็ค่อยหมดไปสิ้นไปเหลือแต่ตกน้อยๆอยู่กับแม่ <c oughs> แต่ว่าแกไม่ค่อยสนใจแม่แกันเลยแกไปเล่นบางทีครึ่งเดือนจะกลับบ้าน แม่นั้นโย่ที่บ้านเนี่ยทำกินเองแก่เข้ามามากๆบางทกีก็กินกับชาวบ้านโยมาวันหนึ่งที่บ้านเนี่ยมันมีงานแตกก็มาเล่นมีอะไรก็หมดแล้วก็มาเอาสิ่งของแม่แม่มีแหวนแม่มีสร้อยตั้งแต่ <c oughs> อยู่กับพ่อมาแกไปรับไปรักของแม่เอามาขายมาเล่นแม่คิดมาก ลูกเราคนเดียวทำไมไม่ดีเราพยายามสอนดีๆครูบาอาจารย์สอนดีทำไมนอ้อลูกเราจึงไม่ดีคิดมากแม่ก็ปวดหัวปวดหัวเพราะลูกไม่ดีคิดแต่เรื่องลูกไม่ดีต่อมาหน้าเมืดอดามัวอะไรมาแม่ตาบอดมองไม่เห็นอะไรเลยตาบอดแจ้งคิดมากเลือดขึ้นส่วนบนมากคิดเรื่องลูกจนปวดหัวจนตามืดตามัวกลายเป็นตาบอด บางครั้งก็แจ้งบางครั้งก็เมื่อยในที่สุดเมื่อบอเข้าหนักๆแล้วทํากินเองก็ไม่ได้อาศัยชาวบ้านชาวบ้านใกล้ๆเขาก็เอามาให้กินส่วนลูกนั้นไม่สนใจเอ๋อภาษาบ้านเอาอบ่าหูซาเลยแกก็เล่นของแก่ไปทีนี้วันหนึ่งมีงานบ้านจุดใกล้ๆบ้านใกล้ๆโต๊นั้นแกได้ไปยินเสียง แกอยากจะกินข้าวแกก็สมสารไปขอข้าวคนกินงมไปบานใกล้ๆเขาก็ทําให้ชาวบ้างก็ไปบอกลูกว่าทำไมคนปล่อยแม่คนไว้อย่างนั้นเขาบอกช่างแกเถอะแกอยู่ของแกมาได้มาตั้งนานนะแล้วลวันนั้นแม่ก็เป็นไข้หนักเสียงดนตีเสียงเครื่องขยายเสียงหนังแกเป็นไข้โรคหัวใจด้วยโรคกระสาาด้วยคิดถึงลกกูกแกก็ ง, งมไปไปในวงไฮโล ไปถามว่าลูกฉันโยดนี่หรือเปล่าถามไปบ้านว่าเห็นลูกฉันไหมเห็นลูกฉันไหมฉันกําลังเป็นไข่ไปหาหาลูกลูกนั่งอยู่ในวงใไฮโลขอแม่มาเธอก็บอกนั่นแม่แม่เธอมาแล้วแม่ขุมาแล้วแกคานออกไปเลยคานจะลงวงไฮโลหนีแม่ไปรีบไปซุกเดี๋ยวไม่อยากให้เห็นแกอายจะบอกว่าแม่นี้แล้วจะมาเล่นต่อชาวบ้านเขาเน็อนาจใจ ทุกคนเห็นก็คนนึกสมเพศเวทนาแล้วแม่ก็พูดออกมาคำหนึงสาธุลูกข้าพเจ้าเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุมใหญ่ตั้งแต่เล็กจนโตช่างไม่รู้จักบุญคณเลยชาวบ้านก็ว่ามันอยู่ตรงนี้มันคานไปนูน้นมันหนีไปแล้วแกบอกว่าสาธุขอมันตาบอดเหมือนกับแม่ของมันถ้าพูดอย่างนี้แล้แกก็งมสาว ก, กลับไปที่บาทชาวบ้านเห็นไม่อืมละอา ต่อมาอีกไม่นานนะนายคนนี้ก็เป็นไข้ปวดหัวโอ้ ด, ดือจะปวดยังไงไปโรงพยาบาลเพื่อนเขาเอาไปหมอเขาเจียวยารักษาปวดจนตาเมืดตาบอดเหมือนกันได้ทุกวันนี้ตาบอดเลยบนคนของพ่อของแม่นี้สําคัญมากมาบาปอามากๆผู้ใดไม่เชื่อพ่อแม่ผู้ใดทําให้พ่อแม่ถูกยากลาําบากเมื่อนนายคนนี้แต่ให้นี่คนดี คนดีจะเริ่มต้นที่เกี่ยวกับบุญคนของพ่อของแม่นะั่นในสมัยโบราณนู่นสมัยพระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดในป่าหิมพานพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดเป็นช้างชื่อธนปาลกะช้างนี่เป็นช้างตัวใหญ่มากเป็นช้างเผือกงาดำดำเล็บดำด ำ, ดำมองคนตาหดถี ซึ่งมีพ่อแต่ก่อนนั้นเป็นพญาช้างพอลูกเกิดมาอยู่ในป่าหิมพานธ์พ่อแก่ตายไปช้างทั้งของทั้งฝูงเนี่ยก็ยกความเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นพญาช้างให้พระพุทธเจ้ า, จาของเราพระโพธิสัตว์ท่านก็เป็นหัวหน้าช้างเป็นช้างเผือกแต่ท่านมีแม่แม่ของท่านเป็นนางช้างตาบอดตาบอดช้างโพธิสัตว์นี่ รู้จักบนขนแม่มากเพราะเกิดมาพ่อตายแล้วอยู่แต่กับแม่วันวันไปหากินไปหากินก็ไปหากับบริวารช้างไปหักไม้ช้างนา้ำหักยอดไม้อ่อนๆมากินช้างเล็กๆช้างน้อยๆช้างสะเทิมช้างตัวขนาดกา่างก็วิ่งมามาขอกินเพราะเป็นหัวหน้านี่ต้องหนักหน่วงแค่ก็คิดมากอาหารบางครั้งอาหารดีๆ เราเก็บไว้ให้แม่กินช้างอื่นก็มากินหมดเพราะตอนเย็นๆนี้ช้างระนาปลกะจะหักเอาพวกไม้ไผ่ไม้ทางนา้ำไม้ที่ทางชอบไม้อ้อยทางแล้วก็จะอ้อมมาด้วยงวงเอาไปให้แม่กินจะทําที่ให้แม่อยู่ตีเยนถอนต้นไม้ถอ น, อ, นอะไรออกอมน้ํามาเจะ๊เจ๊มาพ่นแล้วก็ทําให้มันลาบเอาตีนเคียร์ แม่อยู่ตรงนี้แม่นะจะไปไหนมาไหนลูกจะหาอาหารมาให้กินแม่ขณะเดียวกันเมื่อท่านประกะกหาอาหาร ด, ดีมากองไว้ให้แม่บางวันก็หิวบางวันก็อดตนเองกินไม่ค่อยอิ่มขอให้แม่ได้อิ่มแต่เมื่อเอามากองไว้นี่ยช้างอื่นมาลักกินพอพยา้ามพาบริวารออกนอกหาอยู่หา ก, กินช้างขโมยมาลักกิน พระเทวทัศน์ตเป็นช้างกระมยอมรักกินที่นี่ช้างธนบัลกระดับคิดมานานเห็นแม่บางครั้งน้ำตาไหลเพราะเอาอาหารมาไว้ให้ไปไหนหมดแม่กินหรือยังแม่บอกไม่มีแม่หาไม่พบแม่ได้ยินเสียงช้างเอื้อมาที่นี่เ ป, ปรยอยช้างธนบัลกระดับก็สังเกตเห็นว่าไม่ปลอดภัยเราอยากจะอยู่ ก, กับแม่เราสองคนสองตัว คงจะมีความสงแต่เดี๋ยวนี้เรามีความทุกข์ไปหาอาหารดีๆจะไปลงกินน้ำกินน้ำใสๆก็ถูกช้างน้อ ย, อยเบียดเสียลงไปกินซะ ก, ก่อนไปเล็นเราจะกินต้นไม้ยอดไม้ที่อ ร, อร่อยเราหักออกามาจะกินเองช้างน้อยช้างบริวารก็มาเบียดมาแย่งจะต้องให้เขากินก่อนเขาเป็นหัวหน้าถ้าน้าประะคิดมากสงสารแม่แม่ก็พร้อมลงพร้อมลง เวลากลับคืนไปกลางคืนแม่ก็เล่าให้ฟังว่าแม่กินไม่อี่มน้ำที่ลูกเอามาไว้ก็มีช้างเอื่นมากินคือขุดเป็นแอ่งไว้เอาตีนขุดแล้วก็ไปดูดน้ำมาพ่นมาใส่ไว้ใส่ไวให้แม่กินถหน้าปรากาะกะก็เลยนึกได้เหรแม่ในคืนนี้ลูกจะพาแม่หนีหนีจากบริเวณที่เขาอยู่กันมากๆเร า, าไปอยู่กันสองแม่ลูก อยู่ในป่าไกลกว่านี้จากป่าหิมะผ่านแม่จะต้องอดทนเหนื่อยหนยนะเราจากไม่นอนกันในคืนนี้ถ้าเราไปกลางวันเขาจะรู้จักในคืนนั้นเมื่อช้างอื่นนอนหลับหมดช้างคนะปลากาะกอองวงเนะี่ยจูงจูงแม่มันเดินไปทั้งคืนขึ้นเขาลงห้วยจากหบเขาโส่ ป, ป่าพงดงดอนลูกแล้วลูกเรา แม่ก็ถามลูกเอ้จะพาแม่ไปไหนยังไม่ไกลนักหรอกแม่อดทนหน่อยลูกได้ไปดูมาแล้วเพือกเขาจันโทรณนะนาคฟกทีมาวันไปทางนู้นมีพืชอุดมสมบูรณ์มีน้ําใสสนิทลูกและแม่จะมีความสุขที่เขาจันโทรณนะเราจะอยู่กันสองแม่ลูกโจงเงินใบจนฟ้าสางจนสวา่างได้ยินเสียงไก่ป่าขันได้ยินเสียงนกร้อง แม่ก็บอกลูกว่าลูกเดนี้เป็นเวลาเช้าแล้วแม่ได้ยินเสียงไก่ป่าขันแม่ได้ยินเสียงนกที่ลูกจะพาแม่ไปยังไม่ถึงหรือลูกก็บอกว่าแม่ยังไม่ถึงแม่พอจะทนได้ไหมแม่บอกเหนื่อยมากลูกก็ไม่พาแม่ไปทำที่พักให้แม่ถอนต้นไม้ต้นเล็กๆน้อยๆออกให้แม่อยู่แล้วช้างธนพลตะ ก็ไปหาอาหารมาให้แม่มันกินเอายอดไม้ใบไม้ที่อร ե ศอร่อยลงไปที่สระน้ำไปดูดเอาน้ำมาให้แม่เอามาพ่นเข้าปากแม่แล้วเชนั้นมาอาบน้ำให้แม่มันมันไปถอนเอาเง่าบัวหัวบัวมาเลี้ยงแม่มันมันนอนอยู่นั่นจนแม่มันหายเหนื่อยอิ่มแล้วพาแม่เดินห่างต่อไปใช้เวลาโย สามวันจึงไปถึงเทือกเขาจันทโรนะเมื่อไปถึงเทือกเขาที่สูงและมีที่ราบมันไปถอนต้นไม้ออกอย่างดีหลังจากนั้นมันก็ต้นไม้นไนไเนี่ไปกองกองกันไว้รอบๆให้แม่มันรู้ว่าบริเวณนี้เป็นที่ไปที่มาของแม่มันหลังจากนั้นมันก็ไปดูดเอาน้ํามาพ่นลงใส่ในดินให้ดินมันนิ่มๆแล้วมันก็ขุด เอาตีนมันขุดมันเคลียร์มันยันมันนั่งมันนั่งลงเอาตีนยันยันให้ดิมเนี่ยเป็นหนองหนองหลังจากนั้นมันก็ไป ด, ดูน้ํามาใส่มาใส่แล้วก็ไปโจงแม่มาดูใกล้กลตรงนี้เขอน้ําแม่จะโจกที่นี่ข้างๆหนองน้ําจะมีอาหารไปหามาให้แม่มันกินเป็นประจําไม่เคยขาดแคลนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแม่กับลกูก บนยอดเขาจันทรนะเหมือนสวรรค์ของแม่กับลกอยู่มาวันหนึ่งเมื่อตะวันจวนจะพบค่ำมันไปหาอาหารมาเกือจะมาถึงที่อยู่ของแม่แล้วมันได้ยินเสียงคนร้องไห้เสียงคนร้องไห้อยู่ในป่าอย่างน่าสงสารมากมันก็ไปดูว่าใครหนอมาร้องไห้อยู่ในป่า เรามาอยู่ที่นี่ถึงสามปีเรายังไม่เคยเห็นคนเลยมันก็เดินไปดก็เลยไปเห็นไปเห็นคนคนหนึ่งขึ้นต้นไม้ร้องไห้ก็เลยเห็นเป็นพานป่าเขาหลงทางนายพานคนนี้มาจากนู่นจากในเมืองจากในเมืองพ า, าราณสีมหลาล่าสัตว์ยิงนกตกป่ายิงเก้งยิงกวางยิงหมูป่าไปตามเรื่องเสร็จ แ, แล้วแกหลงทาง ลงไปเรื่อยกลับบ้านไม่ถูกจนมาเข้าป่าลึกสเบียงอาหารที่เอามาก็หมดนายพานคนนี้คิดถึงโลกถึงเมียคิดว่าเราจะตายเป็นแน่แทร้องให้อ้อนบอนเทวดาฟ้าดินขอให้มาช่วยพอดีช้างธนบุรากะได้ยินก็ไปดูก็เลยเห็นสมัยนั้นช้างพูกันได้ว่าท่านร้องให้ทำไมสหายบอกเราหลงทางสหาย เราไม่รู้จักทางจะกลับบ้านที่นครพาลาณสีท่านช่วยเราหน่อยได้ไหมช้างบอกว่าท่านอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยเราจะช่วยท่านจากที่นี่ไปโศกหนทางเข้าโศ่เมืองเรารู้จักดีแต่ท่านรับปากกับเราหน่อยได้ไหมเมื่อเราไปส่งท่านแล้วห้ามไม่ให้ท่านบอกใครว่ามีช้างเผือกอยู่ในป่าตัวหนึ่ง ท่านรับปากได้ไหมเราจะไปส่งนายพานบอกว่าขาา้าพเจ้าจะรับปากท่านขาา้าพเจ้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านท่านไปส่งขาา้าพเจ้าเถอดช้างพันะปารากานี้บอกเหมาบลงให้ในายพานนี้ขี่กอเจ้ารีบ เ, เดินไปทางเบื้องชิดบูลพาทางตะวันออกมุ่งหน้าไปด้วยความเร็วสูงของช้างเดินดมดมไปก็ไปถึงหางทางใหญ่ ประว่าตรงนี้แหละคือเส้นทางจะไปเมืองพาราณสีท่านจงเดินตามทางนี้ในเวลาค่ำนี้ท่านจะไปถึงโน่นประมาณเที่ยงคยืนในขณะเดียวกันนั้นใิขณะที่นายผานขึ้นเกี่ยวคอชามสัญชาตยานของคนชั่วที่ไม่รู้จักบุญคนก็ปรากฏขึ้นนวนั่งอยู่บนขอก็ดูแหมชามตัวนี้ช่างสมบูรณ์ด้วยมงคลถหัดทีจริงหนอ เป็นช้างที่ประเสริฐที่เราไม่เคยเห็นร่างกายใหญ่โตคำยำล่ำสันผิวขาวเผือบผ่องงาสีดำเล็บสีดำช้างเช่นนี้หายากในปัตภีถ้าได้ไปอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินองใดคงจะต้องเป็นช้างคู่มงคลขนคู่บุญบารมีอย่าเลยเรากลับไปนี้เราจะบอกพระราชาเขาคิดในใจของเขาพยายามมองเขาลูกน้นลูกนี้ มองต้นไม้เพื่อจะจดจําเขาขี่ไปนั้นไปถึงต้นไม้บางแห่งกิ่งไม้ก็จะหักเกี่งไม้เอาไว้เพื่อจะสังเกตทางมาช้างคณะปรกะผู้น่าสงสารหารู้ไม่ว่ามัจจุราชนั่งอยู่ในคอของเขาในที่สุดไปถึงแล้วก็ไปหมอบหลงบอกเพื่นสหายนี้คือหนทางไปเมืองพารานศรีท่านจงไปเถอะประมาณที่ยงคืนท่านก็จะถึงแล้วนายพานก็ขอบคุณ กล่าวขอบคุณไม่ลืมที่ช้างดนานาลกะจะบอกว่าท่านผู้สหายถ้าท่านมีความรู้สึกถึงบุญคุณของเราขอท่านอย่าได้บอกใครเลยว่าเราอยู่ในป่านี้ความเป็นอยู่ของเราจะมีอันตรายไม่มีใครดอกที่จะรู้นอกจากท่านบุญคุณของเราถ้าท่านระลึกนึกถึงเรานั้นไม่ปาถนาสิ่งใดขอเพียงความปลอดภัยของเรานายทานก็รับปาก เมื่อช้างเดินกลับด้วยความเร็วไปถึงมืดแล้วเอาอาหารไปให้แม่แม่ได้ยินเสียงเดินของลูกก็ดีใจลูกขึ้นร้องแผดเสียงลูกของแม่มาแล้ววันนี้ผิดปกติมากแม่รอคอยเจ้าตั้งนานมาแล้วจนเสียงไก่ป่านกดูเววาร้องสิ้นเสียงไปแล้วคงจะเป็นเวลามืดแล้วแต่แม่ไม่เห็นทั้งกลางวันกลางคืน ลูกไปไหนวันนี้จึงมาข้ามเมื่อทีปกติหรือว่าลูกได้ไปพบนางช้างพังตัวประเสริฐในป่าหลงสเสน่ห์มนตาของนางช้างในป่ากว้างลูกก็มาเอามือลูกแม่มันป้อมหมอบแสดงอาการกลาบคิดถึงแม่เหลือเกินแต่ว่าวันนี้ลูกสงสารคนหลงหางลูกไปส่งเขาเขาจะไปเมืองพาราณสี แม่เอามือลูกหัวลูกวันลูกเอความสงสารของลูกนั้นต้องมีขอเขตนะบางทีคนเขาดีก็มีคนชั่วก็มีเขาอาจจะทำร้ายวันนี้เขาไม่ทำเขาอาจจะไปบอกพระราชาก็ได้ลูกได้ยินเสียงแม่ตักเตือนที่มีความคิดหัวใจหักเหมือนกับเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาในวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่นายพานเดินดำทาง น, นั้นไม่ได้คิดอะไร แ่คิดอย่างเดียวว่าบัดนี้เรามีโชคมีวาตนาเราจักไปบอกพระราชาพระราชาจะต้องให้ทรัพย์สมบัติแก่เราเพราะเหตุแห่งเราได้พบช้างเผือกมงคลในพานนี้กลับไปถึงบ้านที่นเคิร์นลูกมีรอคอยมาหลายวันที่แกหลงทางก็ดีอกดีใจหาข้าวหาปลามาให้ผัว ก, กินแล้วก็ถามข่าวเขา ที่ไปยังไงมายังไงถึงได้ไกลห่างถึงขนาดนั้นไปจนหลงทางนายพานนี่บอกว่าถึงแม้ฉันจะหลงทางฉันก็มีอะไรดีๆที่เธอจะได้รับประโยชน์เธอจะเอ็ดอื่งไปฉันหลงทางนั้นฉันได้พบช้างประเสริฐตัวหนึง่งตัวเผือกผ่องขาวๆเล็บดำงาดำมันได้มาส่งฉันจนถึงทางที่ฉันหลงฉันจะไปบอกไปทูลพระราชา พระราชาก็จะให้รางวัลแต่นี้ต่อไปเราจะไม่อดไม่อยากแล้วทั้งสองผัวเมียคุยกันจนสว่างเรื่องราวอันนั้นแล้ววันลุ่งขึ้นแต่ก็นอนหลับกินข้าวกินปลาเติรนมาใหม่ตอนบ่ายไปเฝ้าพระราชาบอกนายประตูนายทวารว่าต้องการจะเข้าพบพระราชาข้าพเจ้ามีข่าวดีที่จะแจ้งแกพระราชาในที่สุดก็ไปพบพระราชา ไปเล่าเรื่องให้พระเจ้าแผ่นดินฟังพระเจ้าแผ่นดินดีใจมากบัดนี้เธอจำได้แน่นอนนะว่าช้างตัว น, นั้นอยู่ที่นั่นได้ฉันให้รางวัลเธอหนึ่งมืนกะหาปณะนะแต่ถ้าเธอไม่ถ้าฉันไปกับเธอไม่พบราวังเธอจะคอขาดมายผ่านได้เงินมืนกะหาปณะนะนี่รวยมากสมัยก่อนนะู้นแล้ววันใหม่ก็มาถึง พระเจ้าแผ่นดินให้ในายหัดถาจานคนของช้างและช้างเป็นฝูงออกไปให้ในายพานนี้นำทางว่ามันอยู่ตรงไหนพระราชาต้องการช้างชนิดนี้ช้างเผือกเหมืนทุกวันนี้พระเจ้าแผ่นดินของเราก็มีหลายตัวช้างเผือกนั้นจะต้องเกิดมาคู่บารามีกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วนายพานคนนี้ก็นั่งเป็นหัวนหน้าพาไปแล้วก็สังเกตหนี้ยอดไม้เราหักไว้วันนั้น มองเขาลูกนี้ข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะถึงเขาเอกลูกหนึ่งข้ามแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งก็ไม่โตไม่ใหญ่นักไม่กว้างนักอยู่ในป่าทึบพอพ้นนั้นไปก็จะถึงสระโบคลรินีมีบัวบานสะพังนกร้องแะง้ะงมและมีภูเขาสูงเขียวชฉา่มตรงนั้นคือเครือเขาจันทโทรนะที่เราหลงทาง ม, มาพอดีพากันไป ช้างธนัทรักกะกําลังลงอาบน้ํากําลังถอนเง่าบัวจะเอาไปให้แม่กินได้ยินเสียงเกิดกล้องของช้างทั้งหลายดังสนัตมาเสียงเดินแกตกใจยืนแหงนน้ำใสๆที่มีป่าบัวท่านเห็นหรือไม่เหมือนดอกบัวนั้นอยู่ในสระนั้นเหมือนดอกบัวใหญ่ตรงเขาขาวอยู่กลางสระนั้นท่านเห็นไหมนั่นแหละช้างเผือกตัวนั้นแหละกําลังลงอาบน้ํากําลังลงถอนเง่าบัว อย่างเลยพวกเราไตยวงอกเขาก็แยกช้างตยวงออกภูกเขาล้อมสะบัวแล้วตยแคบเข้าแคบเข้าเมื่อเสียงมันดังแคบเข้ามาดังซ้ายดังขวาดังข้างหน้าข้างหลังทนะบรารกะบแหย่หูออกฟังนี่มันเสียงอะไรหน้าตกใจเสียงช้างที่อื่นมาแล้วมองไปทางไหนเห็นแต่ช้างเห็นแต่คนทนะวารากะเหมือนหัวใจจะหยุดเต้น และลึกถึงคำแม่พูดว่าวันหนึ่งคนที่เรามีควมามเมตตาหนันเขาจะย้อนกลับมาทำโทษแก่เราและลึกถึงคำของแม่พูดหัวใจครับเหตุการณ์อันนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วแล้วมองไปก็เห็นหนายผ่านคนนั้นนั่งอยู่บนคอช้างสารตัวหนึ่งนำเพื่อนมานึกได้ทันทีว่าคำพูดของแม่เราเมจะตาบอดท่านก็พูดอะไรไม่ผิดเลย มีคำพูดของพ่อของแม่เนี่ยท่านเห็นตามใจท่านเกิดมานานพวกเราทั้งหลายจะต้องเชื่อในที่สุดท่านหน้าปรักกะนี้ไม่มีทางหลีกพระเจ้าแผ่นดินมาด้วยนายผ่านมาด้วยพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าทานหาปรักะท่านผู้สหายจะได้คิดหนีจากเราเลยท่านไม่สมควรจะอยู่ในป่าควรจะไปอยู่ภายใต้สเวยฉัดพระราชาผู้ของแควนจั ก, กรพรรด จนจะเหมาะสมกว่าถ้าท่านคิดจะหนีท่านก็ห น, นีไม่รอบช้างอื่นตีออกมาธนปรารกะวิ่งแต่ไปไม่รอดเพราะช้างจํานวนมากตปวงโอบลักจับตีจนเนื้อตัวน่วมไปหมดไลในที่สุดก็ทั้งถูกคล้องจนได้ไปไม่รอดเพราะช้างบ้านมันมีมากเป็นร้อยร้อยเชือกในที่สุดดิ้นหล่นกระวนกระวายไม่ไหวถูกลากออกไปจากหมา คณะปรากาได้พูดกับนายผ่านว่าท่านผู้สหายสิ่งที่เราบูชาท่านด้วยคุณแต่ท่านตอบแทนเราด้วยโทษทําไมท่านจึงทําอย่างนี้หลังจากนั้นนายผ่านนั้นไม่พูดอะไรเพราะตนเองได้เหงินแล้วพระราชาก็พอใจไปถึงนู้นสร้างโลงทองคําขึ้นพากันฉลองช้างมงคลหัตถีเจ็วันเจดคืนอย่างสนุกสนาน แต่ท้างธณะปารกไม่กินหญ้าไม่กินน้ำเอาน้ำมาให้กินไม่กินเอาย้ามาให้กินไม่กินคิดถึงแม่มากกว่าคิดถึงตนเองป่านนี้แม่ของเราคงจะเรียกร้องหาลูกป่านนี้หัวบัวที่หาไว้ผลไม้ที่หาไว้ใบไม้ที่เราหามาไว้มันคงจะหมดไปแม่คงจะคิดถึงลูกคงจะไม่กินข้าไม่กิน อาหารน้ำที่หามาไว้ให้ก็คงจะแห้งผากบัดนี้แม่คงจะสมศานด้วยดวงตาที่มืดสนิทสองข้างคงจะงมไปตามภูเขาคงจะเรียกร้องหาลูกป่านนี้แม่อาจจะตกเหวตายแล้วก็ไม่รู้เพราะแม่ไม่เห็นอะไรเลยยิ่งคิดนี่ชอ่อช้ำและกำรขรม ข, ขืดธนะปรกะักก์กนอาหารไม่ลงเขียวๆแล้วก็คายออก ไม่กินกินได้เพียงน้ำเลยคิดถึงแต่แม่ในที่สุดพระราชาก็มาปลอบโจนท่านปรากะาผู้สหายท่าน่าโศกเศร้าลำพึงลำพันอะไรซึ่งปากว้างปาดิบดงดำเลยท่านอยู่ในโรงทองคำที่เราสร้างไว้ให้อาหารอันแสนดีเราจะจับมาให้ท่านกับเราจะได้เคียงคู่ยาตราอันไปสู่สามันตราต่างนครพร้อมพยุหะแสนยากร อ, อันยิ่งใหญ่ ท่านจะเป็นพยาช้างคู่บาลามีและสเสวชัดของเราจงกินหญ้าอันอ่อนนุ่มทิ้ยวจะอมน้เธอเราจะให้คนหามาท่านหาปลากะเอาแต่ร้องให้ไม่กินน้ำตามันไหลจากจากตามันลงสู่งวงจากงวงลงมาสู่ปลายจะงวงปลายงวงมันไหลนี่ที่ถึงแม่มันมันบอกจะไม่กินข้าพเจ้าตายเส้อดีกว่าที่จะอยู่ในโลก โดยป่าจสจากแม่ของขาา้าพเจ้าป่านี้แม่ของเราจะยังอยู่หรือว่าจะตกเหวตายก็ไม่ทราบด้วยความคิดถึงลูกในที่สุดช้างธนปรลกะได้พูดกับพระราชาว่าเราจะไม่กินอาหารเราจะกินได้อย่างไรในมเมื่อเม่ของเราอยู่ในป่ากว้างคนเดียวตาบอดสนิททั้งสองข้างไม่สามารถจะมองเห็นอะไร ข้าพเจ้ามีความคืนขมและทมทุกแม้จะให้ข้าพเจ้าไปอยู่สวรรค์ชั้นใดๆข้าพเจ้าไม่ปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่กับแม่ของข้าพเจ้าเถิดพระเจ้าแผ่นดินได้ฟังอย่างนั้นอดน้ําตาจะร่วงจะไหลไม่ได้สงสารดูสิ่งแม้แต่ช้างช้างเป็นสัตว์แท้ๆอย่างละลึกถึงบุญคนพ่อแม่ของมันพระราชาก็ปล่อยมันท่านจงกลับไปเถิดหายเราไม่สามารถที่จะทรมานท่าน ถ้าขืนเราทลมานท่านต่อไปหัว อ, อกของเราก็จะแตกสลายเหมือนถูกคมหอกเสียบเข้าตึงในดวงใจท่านช่างเป็นคนกระตันยูเป็นสัตรูกระตันยูกระตกระตเวทีแท้ๆซึ่งผิดกับคนที่มีจิตใจมีภาษาพูดได้ไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ก็ปล่อยช้างธนะประกับไปธนปรกะปปรกระดีใจเหมือนพ้นจากขุเปรีแห่งนรกในขณะเดียวกันนายพาน คู่ไม่รู้จักปนคนนั้นเมื่อได้เงินเป็นหมือ่นอาหาปณะกลับไปแล้วช้างธนประกับทุกใจมากทรมานใจในอยู่ในโลช้างข้างต่างปอกพิสุขไวในขาก็อธิษฐานใจขึ้นมาว่าชไนหนอแผ่นดินมหาปตผีอันมีชื่อว่าธรณีเป็นผู้สงไว้ซึ่งแก้วอันประเสริฐ ม, มีคุณค่าทำไมจึงให้คนชั่วยอย่างนี้เยียบย่างบนแผ่นดิน เราทําบุญทําคุณกับตอบแทนด้วยโทษแผ่นดินที่ส่งไว้ซึ่งแก้วทําไมจึงรับคนชั่วอย่างนี้ไว้แผ่นดินไม่สามารถจะรับคนชั่วไว้ในแผ่นดินมากนะแผ่นดินได้แยกแผ่นดินโศกทรละนีโศบนายผ่านคนนั้นลงไปในแผ่นดินตกลงโศกห้วงเหวแห่งนรกเหมือนพระเทวทัตเพาะตําบาปที่ระเบียดเบียนผู้มีบุญมีคุณสัตว์ผู้ประเสรเิฐเช่นนั้นพรดพูพ้ทีเจ้ากล่าวว่า ผู้ใดธนุบำลุงเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยความซื่อสัตย์เทวดาย่อมรักษาเขามนุษย์ทั้งหลายเอย่อมรักเขาพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นใจก็ปล่อยเข้าไปเทวดาทนทุกข์ทรมานด้วยความสงสารต่อธนพรตะไม่ได้บันดาลให้แผ่นดินแยกให้ในายพาลนั้นจมลงไปในแผ่นดินทล้งจากนั้นแก ก, ก, ก็กลับไปกลับไปหาแม่ ไปถึงแม่นั้นกำลังสมสารหาลูกคารไปในป่างมไปเลาะไปตามเหวเอองวงสาวไปเรียกหาลูกทนะปลระกะลูกแม่ลูกไปไหนแม่เรียกหาเจ้าทำไมเจ้าจึงไม่มาหรือลูกไปหลงนางช้างพังในป่ากว้างแล้วเหลืมแม่ผู้จักศกตาปอดพิการอยู่เช่นนี้นางสมสารไปหาลูกจนหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนางก็เป็นลม นางช้างเป็นลมสลบลงข้างเหวอันหนึ่งแต่ไม่ถึงกับตกลงไปในนั้นทน่านหนาปลากะมาถึงร้องหาแม่จนสุดเสียงเห็นแต่รอยเห็นพวกหัวบัวงองบัวเห็นใบไม้ที่หามาไว้ไม่เห็นรอยแม่กลิ่นเข้าไปก็คิดว่าแม่เป็นอันตรายเสร็จแล้วรีบตามหาตามรอยไปแม่มกำลังสลบหายเจระรวยอยู่ข้างเหวอั น, น, นมันไปเห็นแม่ ลหลบรีบลงไปที่แอ่งน้ําไปดูดเอาน้ําเอาน้ํามาพ่นให้แม่มันนางช้างตื่นตัวขึ้นมาพูดกับหมาว่าฝนหลงฤดูข้าพเจ้าไม่ปาถนาท่านตกลงมาทําไมฝนอับ ป, ปีเราปาถนาแนต่ลูกของเราเท่านั้นทําไมท่านจึงไม่ไปตกในแว่นแคว้นที่เขาปาถนานฝนเราไม่ปาถนานเลยเราปาถนานลูกของเราเท่านั้น ที่แท้คือน้ำฝนที่ลูกพ่นออกมาลูกก็ไปหาแม่บอกแม่ลูกมาแล้วไม่มีวันที่เราทั้งสองจะพัดภาคจากกันแม่มันดีใจมากเลยดีใจมากจนช็อกเมื่อเห็นลูกมาตายอยู่ขาอ้อมกอดในงวงของลูกมันลูกก็ลากแม่ไปเราหง่อมร้องไห้เอาไปโซงเหวเอาแม่ลงในเหวแล้วก็หักไม้หักอะไรทับลงไป หลังจากนั้นแกก็าภาวนาปาถนาเพื่อว่าจะเกิดไฟป่าลามมาแล้วจะได้ไหมซากศพของแม่แม่าตายแล้ววันคืนของมันผ่านไปทุกทุกวันมันจะมาที่เหวที่เหียงแม่ของมันมาแล ะ, ละลึกถึงแม่ของมันอยู่เป็นประจำเมื่อวันคืนผ่านไปจนถึงสมัยปัจจุบันในประเทศอินเดียตอนเหนือเขายังทำสถูปทำเป็นลูกช้าง ทำเป็นเจดีรูปช้างเขาเรียกว่าทนปารตะเจดีคือสถานที่ควรเคารพแต่บุคคลทั้งหลายแม้จะช้างก็ยังรู้จักบุญคุณพ่อแม่ของมันถูกจับแล้วก็โถปล่อยออกมาบุคคลใดรู้จักซึ่งบุญคุณของพ่อของแม่บุคคลนั้นจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เป็นคนดีที่โลกไม่มีโอกาสจะลืมแม้คนทั่วไปจะไม่รู้เทวดาก็เห็น จากเรื่องราวที่เล่ามาให้ลูกหลานฟังนี้นคือเครื่องหมายของคนดีและเครื่องหมายของคนชั่วคนชั่วอย่างคนที่จังหวัดตังไม่รู้จักบุญคุณแม่ไม่ตาบอดไม่เรียกแม่ตายตนเองก็เป็นคนตาบอดทั้งๆ ท, ที่ยังไม่แก่เท่าส่วนเครื่องหมายของคนดีอย่างธนบารกาก็ยังเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าแม้จะตกละกรรมลำบาก บุญที่ได้สร้างกุณงามความดีนั้นก็ทำให้หลุดพ้นพระราชาได้ปล่อยมาส่วนนายพานผูกก้ไม่รู้จักบาปจากกรรมไม่รู้จักบุญจักคนก็เป็นเครื่องหมายของขอนชั่วทูแผ่นดินโศกด้วยบาปที่สาบแช่งให้เขาได้รับกรรมอย่างนั้นเพราะเหตุ น, นั้นลูกหลานนักเรียนทั้งหลายเราทั้งหลายได้ฟังเรื่องนี้ควรจะได้คิดเรามีพ่อเรามีแม่เรามีครูบามีอาจารย์ จากนี้ต่อไปเราจะต้องเป็นคนดีหนึ่งเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ต่อมาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ต่อมาเราจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนร่วมโรงเรียนร่วมหมู่บ้านร่วมศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนโตมาแล้วเป็นพ ล, ลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของศาสนา ดังกล่าวมานี้สมควรเก็บเวลาเพราะต่อไปพวกผู้เท่าจะได้มาเจริญสมาธิภาวนาหลวงอาขอยุติธรรมนิกฐาเครื่องหมายของคนดีฝากลูกหลานทั้งหลายเถียงเท่านี้สุดท้ายเธอทั้งหลายพึงพนมมือขค้ื่อนพร้อมกันแล้วว่าตามหลวงอาข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นลูกที่ดี ของพ่อของแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนจะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาิที่ดีของศาสนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่โลกหลานทั้งหลายโดยทั่วการทุกท่านทุกคนเถิดอาผู้เป็นหัวหน้าของมนุษย์เป็นผู้ไปตองเป็นผู้โย่ในศีลในธรรมบริวารของมนุษย์ก็จะไปตรงสับพังลัดถังสุขังเสติแว่นแขวนทั้งหลายประสบความสุข เพราะความเป็นผู้อยู่ในธรรมนักเรียนเหล่านี้พร้อมที่จะแปลโลกร day, ารฟอร์เมชันได้ง่ายๆที่จะเป็นคนดีเพราะเห็นนั้นคูบาอาจารย์ช่วยกันบ้านเราเมืองเราจะต้องรับมรดกจากบรรพบุรุษคือมรดกทางใจความสงบร่มเย็นของผืนแผ่นดินความอยู่กันฉันพี่ฉันน้องรักกันเดี๋ยวนี้บ้านเขากำลังฆ่ากันแกงกันตะวันออกกลางอ่าวเปอร์เซีย แต่เราจะอยู่กันอย่างอบอุ่นเหมือนเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดแห่งสิลธรรมจะต้องเริ่มกันตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนจากครูบาอาจารย์อันนี้ก็น่าคิดกันฝากครูบาอาจารย์ทั้งหลายเอาหอาละนะเาละนะเาะแบบนี้โอ้